เกิดเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็เลยไม่มีความต้องการในร่างกายเมื่อมิมีความต้องการในร่างกายไปบอกให้คนอีกคนหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการค่านหรือรับจา้างฆ่านมาฆ้ามาปมชีวิตตนเองก็เอาสมบัติส่วนตัวเองเนี่ยที่มีอยู่แล้วอาจจะเป็นบาทเป็นทีวอนเป็นเครื่องใช้สอยอะไรต่างๆที่เป็นสมบัติบางส่วนที่เป็นของจเพะตนเนี่ย กล่าวกับบุคคลที่มาฆ่านะว่าหากท่านปลงชีวิตเราแล้วท่านจงรับผลตอบแทนในการฆ่าชีวิตเนี่ยด้วยสมบัติของเรานี้เรายกให้ท่านคนนั้นก็เลยมาฆานะตการฆ่าเอามีดเชือดคอบ้างแล้วแต่ที่ดีการฆ่าภิกษุนั้นพอใจในการที่จะตายเพราะไม่พอใจในร่างกายเนื่องจากอาสุภะกรรมฐานกรรมฐานในการอินาร์ร่างกายนี้มันเกิดความ เขาเรียกว่าแก่ก้าคือเห็นร่างกายนี่เป็นของเปื่อยเน่าเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยงามเห็นจนเบื่อนหน่ายจนไม่ต้องการเลยก็เลยตายดีกว่าตายก็เมือ่อลมหายใจหมดตายออกจากร่างนี้ก็ไปสู่จาตุมสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาด้วยอำนาจของอสุภากรรมฐานนี้คือขัาตัวตาย ภิกษุบางลูกก็เอาไม้มีดปนเชือดเลยเชือดคอเพราะเบื่อนายมันเลือนเกินร่างกายนี้ก็ไปสู่จ่าตุมไปสู่สวรรค์นั่นแห ะ, นะที่ฆ่าตัวตายห้าร้อยกว่าลูกไปสวรรค์หมดเลยจนพระเจ้าเห็นว่าเอา้าอานุ น, นทําไมพระภิกษุสาวกเราทำไมบางตาลุเลื่กเกินไปในหมดนียอนุนก็บอกก็เป็นพ่อคุโตรองนั่นแหละพระเจ้าค่ะาอ้าว เ, เป็นอะไรเพ่อเราทําไม พอ้โหสอนอสุภาษกัรมประานแก่พิสูจทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายก็เลยเบื่อหน่ายเลยฆ่าตัวตายจ้างว่างให้คอื่นฆ่าบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็มอบสมบัติของตัวเองให้เป็นค่าจ้างอออย่างนี้ไม่มีพิกษูรูปใดแสดงธรรมเป็นเครื่องบรรเ้าใจให้แก่พิสูจนเหล่านั้นเลยเลอะไม่มีสิวัชพาเพราะไม่มีพิสูรูปไหนคอยคอยบอกคอยแนะนําอย่างนั้นทีนี้ พระเจ้าก็เลยบอกว่างั้นก็เรียกพิสูจทั้งหลายมาประชุมกันพอเดียกพิสูจนทั้งหลายมาประชุมกันแล้วองค์ ก, ก็เลยประทานกรรมฐานอันหนึ่งที่เรียกว่าอานาปนาสติพะ mm hmm. พุทธเจ้าบอกว่าพิสูจน์เราใดเจริญอานาปนาสติแล้วจิตจากสงบจากสามารถถึงบรรลุ ถ, ถึงสัมมาวิมุตติได้พระเจ้าองค์องค์ก็เลยคืนมันจะไปแก้เขาเรียกว่า ผลข้างเคียงของ ก, การพิจารณาอาสุภะได้คือจากการที่เขาพิจารณามาก็นฟุง้งฟุ้งจนเบื่อหน่ายร่างกายอาณาปานสติจะทําให้เกิดจิตสงบระงับ อ, อย่างนี้ในความหมายของพระุทธองค์ประดุดดังฤดูแล้งที่มีฝุ่นตลบในฤ ด, ดู แ, แล้งอาณาปานสติประดุดดังฝนหาใหญ่ที่ตกลงมาเพื่อทําให้ฝุ่นนั้นสงบลงไม่มีฝุ่นตุกข้างในอากาศในความหมายของพระุธองค์โองทรง ให้ทำกรรมฐานควบคู่กันถ้าทำอสุภากรรมฐานต้องทำอาณาปานสติควบคู่กันไปอย่าทำแยกกันเด็ดขาดถ้าทำแยกกันนั้นจะเกิดผลข้างเคียงมากามีอสุภากรรมฐานอย่างเดียวที่ต้องทำคู่กับอาาปานสติมันก็ไม่ชื่อว่าหลงเขาก็ฆ่าตัวตายก็ไปสวรรค์อยู่นะแต่จริงๆเป็นมนุษย์จะปฏิบัติได้ แาตมารพระเทวดาก็ง่ายกว่าเหมือนกันมันครั้งที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมะจักกรรัรพมัญตะสูต ร, ร ม, มีมนุษย์บรรลุกี่คนฮะ<ฆ>ธรรมะจั ก, กรพมัญจะสูตรครั้งแรกนะ<ห>บรรลุคนเดียว อ, อีกสี่คนได้แค่จิตร่วมใสเ<ห>นี่ยกวนัญย่าพ่อป่าพัทธิยามหาธรรมะอัศวชิกว<ห>นทัญย่นี่รู้คนเดียวบรรลุคนเดียวแต่เทวดาบรรลุกันเป็นแสนเ<ห>นี่ย ถมว่มนุษย์ปฏิบัติทำง่ายหรือเทวดาปฏิบัติทำง่ายกว่าเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นการฆ่าตัวตายมีโทษน้อยหากฆ่าด้วยจิตเป็นกุศลนะมีโทษน้อยเพราะจะยินดีในการฆ่าแต่ถ้าฆ่าตัวตายด้วยจิตอกุศลมีโทษมาก ก็จะทําให้เป็นวิบากกรรมในการฆ่าคือจิตเศร้าหมองแล้วฆ่าจะเป็นวิบากกรรมติดตัวที่ทําให้เครียรว่าเข้าใจว่าชีวิตนี้มีปัญหามากมันน่าเบื่อหน่ายมากก็เลยฆ่ามันพอใจะในการที่จะฆ่าชีวิตอย่างนั้นเมื่อละชีวิตไปแล้วก็จะเกิดเป็นมนุษย์กี่ครั้งอีกครั้งก็จะโน้มใจไปเพื่อการฆ่าตัวเองอจนกว่าจะเบื่อหน่ายในการฆ่าและ เขาเรียกว่าอิ่ ม, มกับการฆ่าตัวเองแล้วอย่างเนี้ยก็ไม่นับพังแต่ว่าห้าร้อยเป็นที่ตั้งห้าร้อยขึ้นไปนะขึ้นไปแต่ไม่ต่ํากว่าห้าร้อยสูงสุดนี่คือประมาณพันพันครั้งต้องฆ่าตัวเองตายไปประมาณห้าร้อยถึงพันฆ่าจนรู้สึกเบื่อนายแล้วไม่อยากจะฆ่าแล้วฆ่าไปก็ไม่เห็นมันจะดับทุกข์อะไรได้มันก็จะหยุดเองเนี่ยเบือ่อหนายแล้วก็มันจะโน้มใจ การกระพุธทำฆ่าคนจะมีผลมากไม่ว่าการณีใดๆฆ่าสัตว์ยังมีโทษมากใช่ไหมฆ่าคนก็ยังมีโทษมากมีโทษมากกว่ากับการเสียสละเสียสละนี่ยังยัยงไง ก, กว่าเสียสละอะไรเสียสะละร่างกายเหรอเสียสละชีวิตสีสละชีวิตเพื่อประเทศหรือเพื่ออะไรคือการเสียสละมันยังไงมันก็ดีอยู่แล้ว มีประโยชน์อยู่แล้วการเสียสละไม่ว่าจะเป็นการเสียสละในลนักษณะใดก็ตามผลแห่งการเสียสละจะทำให้เราไม่ถูกครอบงาด้วยอำนาจแห่งความยึดถือความตนีที่เป็นยางเหนียวครอบงำจิตใจเพราะว่าจิตของคนทุกคนจะมีความรู้สึกหวงแหนความรู้สึกเขาเรียกว่า อะไรยึดถือภายในตนเองอยู่การเสียสละจะต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากจึงจะสามารถเสียสละได้การเสียสละเพราะเรามีสิ่งที่ควรพอหมาะพอดีกับการเสียสละและเราก็เสียสละไปอันนั้นถือว่าเป็นการเสียสละที่ยังไม่มีผลเท่าไหร่มีผลอยู่แต่ว่ามีผลมากเท่าไหร่แต่การเสียสละในสิ่งที่เขาเรียกว่า สละได้ยากสิ่งที่เราแทบจะไม่มีเหมือนกับพรามณ์เอกสาศดเป็นการเสียสละที่พระองค์ทรงสารเสริญว่าเป็นการเสียสละที่มีผลมากมีอานิสงส์มากยิ่งกว่าการเสียสละในสิ่งที่มีพรามเอกาศดกขาไม่มีเสื้อผ้าเขามีแค่ผ้าผืนเดียวเสื้อผ้าเขามิมีใส่แต่เขาสามารถสละผ้าผืนเดียวที่เขามีเป็นสมบัติติดตัวชิ้นเดียวนั่นแหะเพื่อถาวายพาื่อพระองค์ได้ พอบอกว่านั่นคือการให้อ a เลิ t เทวดาสาธุการขึ้นมาเสียงเทวราสาธุการกระหึ่มกระหึ่มบริเวณที่ฟังเทศฟังธรรมนั้นพระราชาจึงตกใจว่าเอ๊ะนี่คือเสียงอะไรอามัดค้าราชาบริพารทั้งหลายก็บอกวันเป็นเสียงเทวราผู้ได้เจ้าบอกว่าเป็นเสียงเทวราสาธุการที่พามเอกาสะดกเนี่ยถวายผ้าใม่ไหมล่ะ ระราชาบอกอะไรผ้าพื้นเดียวทําไมเทวดาสาทุกันขนาดนั้นไอนเราถวายมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ทรัพย์สมบัติเงินทองเราทําบุญมาไม่รู้เท่าไหร่ทําไมเทวดาไม่เห็นบุญที่เราทําเลยเหรือก็เลยไปถามพระเจ้าผู้เช่าก็บอกว่าพระองค์ให้ทานในสิ่งที่มีแต่ภาพนียให้ทานในสิ่งที่เขาไม่มีให้ในสิ่งที่เขาไม่มีเขามีแค่ผ้าพื้นเดียวเขาไม่มีมากขนา น, นพระราชา ก, ก็เลยบโอ้ การให้ทานการเสียสละมันมีความแตกต่างกันอย่างนี้ได้หรือนี่และน่าจะประมาณนี้นะการฆ่าตัวตายการฆ่าคนตายกับการเสียสละความแตกต่างกันแล้วถ้าถามอีกว่ามเมื่อถือเมื่อถูกคนอื่นด่าว่าควรวางตัวอย่างไรครับ<ม>เวลาถูกด่าเนี่ควรวางตัวอย่างไร ถ้าทางทำต้องถามคนนี้เลยฮะแล้ก็วันเฉยแล้ต้องดูมันว่าไม่ถ้ามันเฉยไม่ได้ล่ะทําไงมันคิดอยากจะดาตอบอะไรอย่างเงี้ยทํายังไงถ้ามันเฉยไม่ได้ล่ะคงต้องหนีหเดินหนีเลี้หนีหลีกหนีหลีกออกจากที่ตรงนั้นแล้วถ้ามันหลีกไม่ได้ล่ะมันยังยืนอยู่ด้วยกันเจอกันอย่างเงี้ยเอาทีอยู่ในครอบครัวเดียวกันนี่อ่ะ เราต้องมีสติฮะสติยังไงเวลามีสติต้องรู้ทันเพจะสมจะเฉยการที่เราจะรู้ทันได้แสดงว่าเราต้องอบรมสติมาก่อนเราจะถึงสามารถรู้ทันได้ถึงเด็นมันจะลงสักสวนมากเลยเออก็สัจธรรมอันก็อย่างที่พูดเมื่อวานนี้ว่าการมีสติในระดับแรกๆ คือสติระลึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้สติคือความระลึกได้ใช่ไหมต้องระลึกถึงคําสอนพระพุทธเจ้าได้มีคนมาด่าว่าเราเราควรวางตัวอย่างไรการถูกด่าว่าแน่นอนว่าทุกคนไม่มีความชอบใจและเมื่อมีความชอบไม่มีความชอบใจนั้นย่อมมีความขัดเคืองใจการขัดเคืองใจจะทําให้เราเกิดความโกรธและกระทําการอะไรว่าตอบกล่าวตอบหรือ ก็การทําอะไรก็ตามเป็นการตอบคืนกลับไปอย่างนี้มันก็จะก่อโทษทางกายทางวาจาเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นการมีสติจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญสติเริ่มแรกก็คือเราสามารถเลือกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ในเรื่องของการถูกว่าเก่าวนี้เมื่อถูกว่าเก่าวควรทําอย่างไรคนที่ดา่าว่าพระพุทธเจ้าในครั้งพูดด้วกานพระพุทธเจ้าทําอย่างไร โยมันบอกว่าหนีไหมพุทธเจ้าหนีไหมไม่หนีเอาไม่หนีทำไงอ่ะไม่เรียกผู้ช่วยชนพุทธเจ้านันเขาเนิ่งเฉยแล้วพุทเจ้าก็พุทธเจ้าบอกว่าอานุ์การที่เขาด่าว่าเรานั้นเธอจงพินิษฐ์พิจารณาในคําที่เขาด่าว่าให้ละเอียดรอบครอบด้วยเหตุและผลว่า สิ่งที่เขาด่าว่ามานั้นมีเหตุผลอันควรแก่การด่าว่าในตัวเราไหมคือเรามีอะไรที่เป็นเหตุให้เขาด่าว่าเราเนี่ยมีไหมหากมีเราก็แก้ไขหากไม่มีเราก็วางเฉยเสียเพราะสิ่งที่เขาด่าว่ามานั้นมันไม่ถูกกับเหตุในตัวเราใช่ไหมละ่ะหากเธอไม่สามารถฟังในสิ่งที่เขาด่าว่ามาได้เธอจะรู้ถึงเนื้อความที่เขาด่าว่ามาได้อย่างไรบ้างมีเหตุมีผลอย่างไรถูกหรือผิดอย่างไร เธอจะมาใช้แต่ความขุนเคืองอย่างเงี้ยหลีกหนีไปอย่างเงี้ยใช่ไหมเธอจะรู้เหตุผลในสิ่งที่เขาด่าว่ามาได้ยังไงเธอต้องฟังก่อนแล้วก็พี่นะใครควรว่าสิ่งที่เขาด่าว่ามานะั้นมันอยู่ในตัวเราไหมถ้าเรื่องนีไม่ดีต่างๆถ้ามันมีก็แก้ก็คือประโยชน์มีแต่จะได้รประโยชน์กับประโยชน์ถ้าไม่มีเราก็วางามันไม่ให้เรื่องที่จะไร้าสาระที่เราจะต้องไปกระทําการตอบนะฮะคุณจะเอาเลยไม่หนีไปไหน ใช่ไหมล่ะพระเจ้ายัางบอกพิสูจน์ทงไหนหรืยว่าแม้แต่มีใครก็ตามมาเก่าวประลับปว่าทำมาเก่าปรับปรว่าคือเก่าวปัดปลําพระพุทธองค์เนี่ยพ่าพระองค์แบบนั้นไม่ไม่ดีแบบนี้พระองค์ไม่ได้ตัดสรุด้วยพระองค์เองหรอกพระองค์ก็ตื่นตึกไปตามภาษาคนมีปัญญาทั่วไปที่ตื่นตึกตามธรรมคิดได้ดีกว่าคนอื่นเท่า น, นั้นเองไม่ได้ตัดสรุปจริงหรอกแต่ความคิดของพระองค์ฉลาดจริงอย่างนีงงเเ้เขาก็ก็ว่ามา เธอจงทรงจําในคํากล่าวที่เขาเกล่าวมาต้องทรงจําไว้นะว่าเขาเกล่าวเรื่องอะไรแล้วใครคนได้เหตุผลว่าตัฐาพจน์เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอย่าทําการขุ่นเคืองถ้าเธอทําการขุ่นเคืองเธอจะไม่รู้เหตุผลในสิ่งที่เขาเกล่าวเห็นไหมพุทธเจ้าเราสอนให้ยอมรับขนาดนั้นเนและเวลามีนคนด่าว่าม า, าต้องทําอย่างนั้น อ, อ้ อ, อนนาคออันนี้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ถามน่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นว่าจิตมโนวิญ ญ, ญาณดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนใช่อันนี้พระพุทธพจน์จิตมโนวิญ ญ, ญาณดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนอันนี้นี่เป็ น, เ ป, นเป็นการแสดงความคิดเห็นขึ้นมาแต่ที่นี้ เราจะมาพูดในเรื่องของความรู้นะความรู้ว่าจิตมโนวิญญาณเป็นอันเดียวกันไหมใส่หัวกันไม่ไม่พูดอ่ะทำไมใส่หัวกันอย่างงีจ้จิตจิตก็อย่างนึงจิตคืออะไรจิตถ้าสมมติจิตใจนะจแล้ ว, ลวจิตนี่เจรจสิตด้วหรือ่าจิตคืออะไร ตอบพี่ถูกคืองกาจิตก็นั่นแหละจิตคืออะไรมโนคืออะไรแล้ววิญญาณคืออะไรเป็นอันเดียวกันได้ไหมจิตเป็นนามธรรมจิตเป็นนามแล้วมโนไม่ใช่นามเหรอมโนก็นามมโนก็นามแล้ววิญญาณล่ะวิญญาณก็นามวิญญาณก็เป็นนามก็นามมาต่างกันก็ต่างเป็นนามธรรมสามอย่างนี้เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็มีความเหมือนในเรื่องนามธรรมแตมีความต่างในเรื่องของของกฎหมายนะ จิตที่มันจะถ้าจิตที่ยงก็ใจเนาะจิตก็เป็นสือนานคูเวชนาสัญญาสังฝันวิญญาณใช่ไหมเสืนัโนเนี่ยอาจจะยานะนักายาแคนน้องเอความรู้ของเราทาไมมันกระ่อนกระแทกเน่ยนก็สอน่องนี้มากันเยอะอยู่นะโน่นี้ก็แปลว่าใจเอาไม่น่องเขาไม่น่องเอาความรู้ไป็นองมาจิตโนจิตคือสภาพที่ อ้อยตามเอ็นามเอออย่างนี้สิแล้วมโนโล่ะมโนคือใจก็คใจนั่นแหละคืออะไรทําหน้าที่อะไรหน้หาที่รู้อารมณ์มมจิตนี้โน้มตามอารมณ์เอ็<ม>นตามอารมณ์โอนตามอารมณ์ใจนี้รู้อารมณ์และวิญญาณนี่วิญญาณคือความรู้สึกรับรู้ความรู้สึ ก, ร, ร, สกรู้สึกนี่มันจะเข้าไปสู่การเสวยเป็นเบธานาไปแล้หรือ ความความครู้สึกรับรู้หรือเ่าผัสสะอันยจะกทนอกกเราจะใช้คําว่ารู้สึกไม่ได้แต่ใช้คาว sì, ่ารับรู้ได้มโนนี้ก็รู้อารมณ์วิญญาณก็รู้ในสิ่งที่เข้ามาสัมผัสทางตาคุณยังหมู่ยีไกลใช่ใช่ใช้คำว่ารู้สึกไม่ได้รู้สึกก็เป็นการเสวยแหละเสวยเป็นเรื่องของเวทนานะวิญญาณแค่รับรู้ไม่ได้รู้สึกเอาอย่างนี้ดีกว่า สายตาที่มองเห็นรูปสายตาจะสามารถรู้สึกในสิ่งที่เห็นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แค่รับรู้ในสิ่งที่เห็นใช่ไห ม, ม, อ, ม อ, อาการความรู้สึกเป็นเรื่องของเวทนาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความรู้สึกไปเป็นความหมายของวิญญาณไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแต่แต่สามอย่างนี้จิตใจมโนนัน้นอยู่ในอันเดียวกันใช่ไหมอาศัยกันเกิดใช่ไหม ใช่ไหมเออต้องเข้าใจอย่างนั้นนะแต่ว่าคนละอย่างกันแต่อาศัยกันเกิดเหมือนกับเส้นผมคนเล็บฟันต่างเนื้อเป็นอันเดียวกันหรือคนละอย่างกันคนละอย่า ง, างแต่อาศัยกันอยู่ในกายนี้แต่ทำรองนั้นเข้าใจอย่างนั้นต้องแยกแยกให้ได้อ๋ออันนี้แม่ น, นี่ปริยัติแม่นดีแต่ผิดไปน้อยเลย็กน้อะจิตมโนบิญญาณเกิดดับคือเกิดก็เกิดพ ร, ร้อมกัน รับรู้อารมเดียวกันแล้วก็ดับลงไปพร้อมกันอันนีต้ตลอดทั้งวันทั้งคืนหมดแล้วไม่มีคำถามแล้วกลุ่มเรามีใครถามไหมพวกเราไม่มีใครถามมานะ ก็ได้ซักซ้อมความรู้กันเพื่อนาไปสู่การทบทวนและไปสู่การปฏิบัติพอการปบคิดและพที่จะนานหลักทำใดก็ตามหากไม่ไม่สามารถแยมแจ้งในสิ่งที่พิจารณาได้มันก็จะไม่ทำลายความเห็นผิดเพราะเราไม่รู้ในอะไรอันที่ไม่รู้อันนั้นจะพอกงำจิตเราให้หลงเพราะสภาพแห่งธรรมคือความจริง เราจะเข้าถึงธรรมะได้เราต้องรู้ความจริงนี้ให้แจ่มแจ้งจะรู้เพียงแค่ผิวเผินไม่ได้ต้องรู้ให้แจ่มแจ้งจิตทะน้อมตามอารมณ์โอนตามอารมณ์เอ็นตามอารมณ์ใจรู้อารมณ์วิญญาณรับรู้สิ่งที่เข้ามาสัมผัสทางตาขอ ง, ง, ง, งจมูกลิ้นกายใจ กิเลสมันเกิดขึ้นตอนไหนเวทนาเกิดแล้วฮะตอนที่ก็ผพรรษาแล้วเกิดนนเวทนาเวทน า, เ ป, นนาเป็นกิเลสไหมเวท น, นาไม่ใช่กิเลสเราถามว่ากิเลสเกิดขึ้นตอนไหนเกิดเกิดเกิดขึ้นหลังที่เกิดเรืนรู้สึกอ รู้สึกในเวทนาแล้วก็แสดงว่าเสพแล้วเสพในสิ่งที่ตาหูจะบูริ้วมใจรับประมาแล้วเสพแล้วจึงเกิดความรู้สึกเป็นสุบบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุบบ้างอย่างนี้ใช่ไหมเกิดกิเลสตรงนั้นเหรอเกิดต่อจากนั้นเกิดต่อจากเป็นสุขแล้วคือพอใจไม่พอใจและเฉยเฉยใช่ไหมค่ะเนาะจะเกิดต่อจากนั้นความพอใจความไม่พอใจและความเฉยเฉยนี่เป็นกิเลสเหรอไม่เกณฑ์อ๋อยังไม่เป็นแล้วเกิดต่อจากไหน ตัญหาคือพอใจแล้วอยากไม่พอใจแล้วปฏิเสธเฉยเฉยแล้วก็ไม่รับไม่รู้อะไรอันนั้นคือเป็นกิเลสใช่ไหมแล้วถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกิเลสสามตัวเนี่ยพอใจแล้วอยากอันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่พอใจแล้วปฏิเสธอยากที่จะไม่เจอมันอ่ะแล้วก็เฉยเฉยก็ไม่รับรู้อะไรอวิชาขอบงํามันเกิดมาได้ยังไงเกิดเพราะเราไม่ได้กำหนดรู้ถูกต้องไม่ได้กำหนดรู้อะไร ไม่รู้ท่าสี่ไม่รู้ขันห้าไม่รู้อายตนะทาสี่ขันห้ายตนะหใช่ไม่รู้ระบบเหล่านี้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าอะไรคือทุกไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุเกิดทุกไม่รู้ว่าความดับทุกจะดับไปได้อย่างไรและไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะดับทุกได้ใช่ไหมโอ้เสียงโทรศัพท์มีแขงอัตมาดีเหลือเกินสวัสดีจ้า วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดเขากลุ่มคนโทรมาอวยพรเยอะเขาท่าให้ความรู้ชักใช้ได้นะแล้วเวลาจะดับกิเลสดับยังไงทีนี่แก้กิเลสแก้ยัยงไง <c oughs> เรารู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นอย่างไรแล้วแล้วกิเลสจะดับลงไปอย่างไรทีนี่เหลือตอนเที่ยงเดี๋ยเป็นวิญาณกลับให้ทานพิณาวะ ดูดูอะไรดูอารมณ์ดับหมายถึงว่ากิเลสมันอาศัยอารมณ์เกิดความอยากเกิดอาศัยความสุขเกิดความ อ, อ, อยากในการที่จะอยากได้มาเนี่ยคืออยากในสุขเนี่ยอาศัยสุขกบันนาเกิดอยากที่จะปฏิเสธไม่อยากจะเจอความทุกข์เนี่ยมันอาศัยทุกขกบันนาเกิดเฉ<อ>ยๆคือเวลาเฉยๆจิตก็ ไม่พิจารณาอะไรสักอย่างปล่อยให้มันเฉยอยู่อย่างนั้นเฉยเมยอยู่อย่างนั้นน่ะมาจากอทุคมาสูขเผ่าเบธนาใช่ไหมอาศัยอารมณ์เหล่านี้เกิดทีนี้เมื่อมาอาศัยเหล่านี้เกิดปุ๊บเนี่ยเรามีเวทนาอยู่ตลอดเวลาสุบ้างทุบบ้างเฉยเยบ้างเมื่อเรามีเวทนาอยู่ตลอดเวลาอาการที่อยากอาการที่ไม่อยากและอาการที่ไม่รู้เฉยเฉยเนี่ยก็ต้องเกิดตลอดเวลาหมายถึงว่ากี่ไรก็ต้องเกิดตลอดเวลา อย่างงั้นเหรอนี่ก็ความความที่เราไม่สุขใม่ทุกข์นั้นจะเกิตดตลอดเวลาก็ต้องเกิดตลอดเวลาก็เฉยๆเมื่อความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดตลอดเวลาเฉยๆก็มีอยู่ตลอดเวลาไอเ้อเฉยๆเนี่ยแ่ะอวิชชาจะครอบงำยัง <c oughs> ไม่ไร <c oughs> สุขนี้ราค้างนุสัยครอบงำ <c oughs> คือพอใจยินดีและอยากได้ทุกข์นี่ปฏิคา น, นุสัย ครอบงำคือมันแทรกขึ้นมาปฏิเสธไม่อยากได้ไม่อยากเจอไม่อยากเห็นไม่อยากพบอยากจะออกไปจากชีวิตไม่อยากให้มันเข้าม า, าในชีวิตเราเนี่ยและเอาทุกขามาสุขเวทนาอวิชานุสัยครอบงำเจ๊ะไหม<ช>ทีนี้ในความหมายที่พระ อ, อาจารย์กําลังจะบอกหมายหรืว่าเรารู้ว่ามันเกิดจากเวทนาแล้วแล้วเราจะดับมันยังไรกิเลสเนี่ยกิเลสอาศัยเวทนาเกิดเราจะดับมันยังไง ดับโดยไม่ต้องมีเวทนาหรอที่เขาบอกให้ก้าวข้ามเวทนาอย่างนี้หรือไม่ได้ไม่เพราะเราต้องอาศัยเวทนาอยู่ใช่ไหมล่ะเวทนาเป็นพรอมีอยู่สทำไงอ่ะต้กำหนดรู้รู้อะไรล่ะก็รู้ว่าไอ้ทาสี่ขั้นห้า่ะมันเป็นทุกข์มันเป็นต้นเหตุมันก็ไม่ใช่เราให้ของเราเลยก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิในการรู้กายโดยความเป็นท่าสี่ใช่แล้รู้ใจในการที่ว่ามันก็เป็น รู้กายเป็น5สีว่ากายก็คือดินนะ้ำไฟลมใช่ดินเป็นสิ่งที่มีความสุขหรือความทุกข์ความทุกข์มันดินในชะ่ไหมไม่ใช่พื้นดินเนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์ตัวพื้นดินอ๋อ ม, มันไม่ได้รับรู้รใช่มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขและทุกข์เลยน้ําก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสุขและทุกข์เลยไฟก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสุขและทุกข์เลยลมก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสุขและทุกข์เลยแต่เวลาสุขเกิด ทุกเกิดไม่สุขเป็นทุกเกิดทำไมกายเราถึงมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไปด้วยท่านท่านที่กายเราก็คือดินน้ำไฟลมเราคิดว่าเป็นตัวเราเราไปอยู่ในนั้นเราเป็นตัวเราคอยยืดไปเล่นในนั้นเออเรายึดเมื่อเราเมื่อเรายึดในกายว่าเป็นตนอาการแห่งสุขทุกเกิดขึ้นเราจึงเกิดความรู้สึกไปตามอาการแห่งสุขทุกข์นั้นทางกายใช่ไหมล่ะทีนี้กิเลสที่เป็นอนุสัยคือราคานุสัยเข้ามา เข้ามาครอบคือสุขอยากได้ทุกข์อยากนี้ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเฉยไม่รับรู้อะไรกิเลสกิเลสพวกนี้เข้ามาแทรกตอนนี้เราจะดับมันยังไงก็ต้องกำหนดรู้ดูสติรู้ทุกข์เนีมีสติอีกแล้วอีสติทุแล้วก็ดูมันที่อ่านคธรรมาจารนะให้ดูมันเฉยเฉให้ดูมันอย่างเดียวว่ามันเกิดอะไรขึ้นใน ดูใชเฉยๆก็จะไปเข้าตําราในการดูซื่อๆดูตรงๆหยิบนั่นแหละเราใช้สติว่าอาจารย์ที่ใช้ธรรมะพุทธเจ้ามาต้องมีการอบรมพิจารณาอยู่เสมอว่าดินน้ําไฟลมไม่ได้มีส่วนในความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์อาการที่รู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์อาการเป็นอาการทางจิตทางน้ําที่มันสวยอารมณ์สวยอารมณ์ทางกายสวยอารมณ์ทางใจของมันเองสวยอารมณ์ทางกายคือเสวย สุขทางกายทุกทางกายไม่สุกไม่ทุกทางกายเสวยอารมณ์ทางใจคือเสวยโสมนัสดีใจโธมนัตเสียใจอุเบกขาเฉยๆแต่มันเสวยอยู S ่เมื่อตัวเสวยเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาตัวเสวยอว่าไอ้ที่ตัวเสวยเนี่ยเวลาเสวยสุกเนี่ยอ่าววยปอนต์อีกแล้วอขานัะ ใช่ไอตัวเสวยเนี่ยคือตัวเวทนาเลยนะทีนี้ไอตัวเสวยเป็นตัวเวทนาสุขที่มันเสวยอยู่เนี่ยคงที่หรือไม่คงที่ทุกที่มันเสวยอยู่คงที่หรือไม่คงที่ไม่สุขไม่ทุกที่มันเสวยอยู่คงที่หรือไม่คงที่ไม่คงที่เมื่อสุขไม่คงที่ทุกไม่คงที่เฉยเฉยไม่คงที่สุข จะมีอยู่โดยถาวรได้ไหมไม่ทุกจะมีอยู่ถาวรได้ไหมไม่ได้เฉยๆจะมีอยู่ถาวรได้ไหมไม่ได้เมื่อสุขไม่สามารถอยู่ได้โดยถาวรทุกไม่สามารถอยู่ได้โดยถาวรไม่สุขไม่ทุกไม่สามารถอยู่ได้โดยโถาวรมันก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมหลังเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยที่ภัสสะเข้ามาต้องผูกสู่บ้างต้องทุกบ้านต้องไม่สุขในทุกบ้างการใช้ความอยากที่สุขคงอยู่ให้ทุกหายไปจึงเป็นกิเลสของเรา เมื่อเรามารู้ความจริงว่าเราไปใช้ความอยากคือการสร้างกิเลสเราจะใช้ความอยากเข้าไปกําหนดความสุขในชีวิตไหมเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถวางใจคือวางชีวิตเราไว้ได้เสมอว่าสุขเกิดขึ้นก็ได้ทุกเกิดขึ้นก็ได้เฉยเฉยก็ได้แต่ในความรู้ว่าสุขเกิดขึ้นทุกเกิดขึ้นและเฉยเฉยเกิดขึ้นนั้นเราจะต้องมีปัญญาทราบการเกิดการดับเห็นไหมเพราะเมื่อสุขเกิดขึ้นกิเลสอาศัยสุขเกิดขึ้นสุขดับไป กิเลสที่อาศัยสุกเกิดขึ้นก็ต้องดับไปด้วยแสดงว่ากิเลสไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาทุกเกิดขึ้นกิเลสที่อาศัยทุกเกิดขึ้นคือปฏิฆะเนี่ยถ้าเราไม่ทํทาตามเนี่ยไม่ต้องไม่ได้เอาไปกําหนดไม่ได้เอาความสุขความทุกข์ไปเป็นเป็นเครื่องกำหนดนะปล่อยให้สุขปล่อยหใหนะ้ทุกข์เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยข้อมันนะทุกข์เกิดขึ้นกิเลสที่อาศัยทุกข์เกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นมาด้วยเมื่อเราไม่กําหนดความทุกข์นั้นว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิเสธและผลักันออกเรารู้ว่าความทุกข์ เราจนสามารถรู้ความพิ่มขันดับไปกิเลสก็ต้องถูกดับไปด้วยหรือเฉยๆเกิดขึ้นเราก็ต้องมาลดรับรูบร้แม้แต่ความเฉยนี้บ้าอาการเฉยอย่างเนี้ยหากเราปล่อยให้จิตเฉยๆไม่ยอมคิดพิจารณาตามทำไม่ยอมถึงนึกถึงพระรัตนตไตไม่ถึงนึกถึงกุศลธรรมอวิชชาก็จะครอบงาเราอีกเราก็จะรู้สภาพจิตชนิดนั้นที่เป็นเฉยๆอยู่นั้นเมื่อรู้สภาพจิตชนิเป็นเฉยๆอยู่นั้นเราก็ต้องยกจิตขึ้นสู่กุศลอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไห้หลัก ความเป็นเฉยๆมันก็จะดับไปกิเลสที่อาศัยความเฉยคืออวิชชาคอบงำอยู่ก็จะดับไปด้วยนั่นหมายถึงว่าถ้าเราเห็นการเกิดการดับของเวทนาก็ถ้าเราเห็นการเกิดการดับของกิเลสเมื่อเราเห็นการเกิดการดับของกิเลสเราก็จะทราบได้ว่ากิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับเมื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับโดยการเห็นจากเรามันจะไม่สะสมเป็นอนุสใสดอกสันดาน มันก็จะดับอยู่ตรงนั้นนะแต่ถ้าเราไม่เห็นการเกิดการดับของเวทนาทั้ง3กิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เราไม่เห็นการดับอย่างนั้นมันจะสั่งสมเป็นอนุสัยสั่งสมเป็นเครื่องดองสันานและก็จะพอบคูณเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและจะเป็นตัวกําหนดความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราว่าเราต้องการความสุขอย่างนี้เราปฏิเสธความทุกข์อย่างนั้นเฉยๆแล้วก็ประมาทเสียเลื่อน ปล่อยใจให้ไปตามกระแสแห่งความคิดที่มันจะเป็นไปไม่ได้อบรมจิตใจตัวเองไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้มีสติในการภาวนาอันเนี้คือปัญหาไงเพราะฉะนั้นพ ร, พเระเ้เจ้าจึงบอกว่าปัญญาอันเป็นไปเพื่อการชํำระกิเลสคือปัญญาอันเห็นความเกิดและความดับใช่ไหมเราจะเห็นอะไรก็ได้เกิดดับรูปเกิดดับใช่ไหมล่ะเวทนาเกิดดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับวิญญาณเกิดดับให้เห็นเนืองๆบ่อยๆเรื่อยๆ เขามันเนืงๆใบๆรื่อเรื่อยคื อ, อต้องเห็นเป็นประจำให้ติดตอ่อเนื่องกันจนกว่าจะเกิดการรังในการทำลายทำลายอะไรอนุสัยตัวใหญ่เขาเรียกว่าเชื้อแห่งพบในอนุใสตัวใหญ่เรื่องเชื้อแห่งพบเมื่อไปทำลายเชื้อแห่งพบได้คืออวิชาหรือตอนต่อทั้งมวลก็จะดับเมื่ออวิชาดับมันทุกอย่างมัก็จะดับของมันโดยตัวมัิเป็นเป็นสายใหญ่หรือของโซ่ ในตัวของมาันเองแต่หากเมื่อใดก็ตามที่อวิชชามไม่ดับนอกนั้นน่ะไม่มีทางดับกิเลสเอาสภาวะตัวไหนก็ตามตั้งหาอุปทานพบชาติก็มีทางดับได้นี่คือหลักปฏิบัติถือว่าเป็นการรบรวมนะวันนี้รบรวนข้อนี้ให้เข้าใจไม่ถามกันมาอีกแล้วนี่นี้อาจารย์หนึ่งที่ผู้ที่เข้าสู่กระแส ด้วยเสร็จแล้วเาปฏิมากนะฮะปฏว่าปฏิผลนะฮะแล้วจะมีผู้รู้เท่านั้นผู้รู้นี่จะติดอย่าใช้คําว่าผู้รู้เลยแล้วจะพูดเลยใช้คําว่าผู้รู้มันจะเทียบกับพระพุทธเจ้าเพราะว่ายังไม่ชื่อว่าเป็นผู้รู้ผู้รู้นี่มีผู้เดียวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้รู้นอกนั้นไม่ได้เป็นผู้รู้เขาเรียกว่า มีตัวกําหนดรู้อยู่ภายในมีผู้กําหนดรู้อยู่ภายในแบบเป็นอัตโนมัติหรือว่าเป็นอะไรเป็นคุณสมบัติในจิตแล้วจะสามารถรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามาในจิตว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาโดยอภัยยาศัยของจิตเองนั่นคือโสดาปฏิผลนะคือผู้ที่เข้าถึงความเป็นโสดาบัตแล้วจะต้องมีความเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็ น, ปนธรรมดา สิ่งนั้นจะต้องดับไปเ ป, ป็นรดแบบอัธยาศัยในจิจต่อตลอดเวลาตลอดเวลาไม่มว่าจะสัมผัสทาตาหูจมูกลิ้นกายใจกาพบดูนแรงแค่ไหนก็าตามจะสามารถเห็นสิ่งนั้นเนี้ยเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดามันเกิดตลอดเลยนะอาจตลอดสิตลอดะพอพพอสิ้นอสรรวะกิเลสครับตัว น, นี้ไม่มีลใช่ะก็ไม่มีสิ้นอสรรวะกิเลสแล้วก็ก็อยู่อยู่กับสุญญตา กับคอามว่ไม่ได้อยู่กับขันไม่ได้อยู่กับอารมณ์ไม่ได้อยู่กับสิ่งต่างๆแต่รับรู้รับทราบขันรับรู้รับทราบอารมณ์เข้าใจในอารมณ์อย่างนี้อันนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นคุณสมบัติในจิตของพระโสดาบันเป็นองค์คุณที่ติดอยู่กับจิตเป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นกับพระโสดาบันทุกๆจำพวกต้องมีไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีแสดงว่า ถือว่ายังเข้าไปไม่ถึงอ่ะมันต้องมีตัวนี้ติดติดเป็นธรรมชาติรองรับจิตอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องประกันจิตของขโสดาบันที่จะไม่ถือเอาพบที่แปลในของพี่น้องนะพี่เกรียมท่านน้องก็ไม่ได้เรืองอะไรนะพี่เกยมพีเขาก็จะแบบเหมือนจะตัวเตือตลอดเลยนะอาจารย์ เห่ right it, right. Hence, else, ือนตัวเตือนเหมือนไรเขาแบบว่าคล้ายๆกับเหมือนกับมีตัวเตือนนั่นแหละเออวเตขาเขาเขาไปค้ายๆทำสองทสองไม่ยุ่งเรื่องอื่นเลยมันจะยุ่งว่าจะทำยังไงไม่ไม่ทำาหากินือภาษาไม่ใส่ไม่ช่อยากทำไไม่อยากทำงาหากินเลยใช่เขาอยากจะวางเอออยากจะวางแบบพวกจะทาเรื่องนี้ตลอดไปคล้ายที่ว่า อันนั้นอันนั้นกําลังไฟแรงอยู่ธรมธรมดาธรรมันเขาเรียกว่าไม่อยากคือลื ม, มจะใช้ความอยากเป็นเพื่อกําหนดไม่ได้แล้วระดับนั้นนะน ะ, ะเขาจะไม่ใช้ความอยากเป็นเพื่อกอําหนดแต่ว่าจะลืมเรื่องการเรื่องงานไปไปพักหนึ่งไปชั่วคราวหนึ่งจะใส่ใจอยู่แต่กับการจเจริญกิจใน อ, อริยมรรคที่ตนเองกําลังเป็นอยู่ในเวลานั้นนะมันจะใส่ใจเพราะมันเห็นสาระแก่สารเห็นคุณธค่าเห็นอะไรทั้งมวลที่เกิดขึ้นกับตนแล้วนะมันก็ถึงกับคาที่จะ ก็สาระมันอยู่ตรงนี้อันนั้นยังไม่ใช่สาระแต่ก็ไม่ใช่ว่าอันนั้นจะต้องทิ้งมันก็จะรู้อยู่แต่ว่าจะขอยึดเอาสาระตรงนี้ก่อนไงยึดเอาสาระตรงนี้ก่อนพอสักพัดียวเดี๋ยวก็<ม>จะต้องเขาก็จะฉลาดอีกนายวิสาขาก็ยังมีโรงงานเป็พันไปติดต่อ ง, งานพยายามสร้างการงานให้เจริญอยู่เรื่อยเื่อยเลี้ยงลูกน้องอยู่เป็นหมื่นคนใช่ไหมครับเอาว่านางโลภไหมเอากระตมโลภธรรมดา พสวัสดบิบาลไม่ใช่ว่าไม่โลภนะโลภแต่โลภแบบมีสติหมายถึงว่าการโลภของท่านไม่ร่วงอกุศลเนี่ยโกรธของท่านมีไหมมีแต่โกรธของท่านไม่ร่วงอกุศลหลงของท่านมีไหมมีพระสวัสดาบาลแต่หลงของท่านไม่ร่วงอกุศลแต่โลภโกรธหลงของบุทุชนร่วงอกุศลได้ตลอดเวลา ท, ทําไมถึงพระสวัสดบิบาลไม่ร่วงอกุศลสีขาวปวดห้ามอาการลองรับกิจแล้ว อาจจะยังศีลห้าการรองรับจิตแล้วแลวก็รัตนาตาใจก็เป็นอัตยาศัยของจิตและความเห็นที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นวาลาสิ่งนั้น่อมดับไปเป็นธรรมดาก็รองรับจิตจะไม่ทำให้จิตของท่านร่วงอกุศลได้เพราะท่านจะมีองค์คุณเหล่านี้แวดล้อมในจิตคุณสมบัตเหล่านี้และจะมีผู้คอยห้ามอะไรคอยห้ามศีลนั่นแหละเป็นผู้ห้าม เขาบอจริงๆไม่ใช่ห้ามจะคอยบอกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรควรทำอย่างนี้หรือควรทำอย่างนี้หรือสิ่งนี้ทําไปแล้วควรควรสังวรใหม่อย่างเงี้ยมันจะมีเคะตัวบอกกุภัยในจิตในใจตัวเองอยู่เสมอเลยไม่ต้องเร่อะไรนะนะเป็นอัตโนมัติไม่ต้องใช่ไม่ต้องนไม่ต้องไปมายาพัตเตมิสุมิสุกละกาณัตายาติสเลนีนัสสหปัญจสิลานียาไอ้พวกนี้ไม่มีละใน ในอาทยาศสตจิตพระสโสดาบันก็ไม่มีไม่มีพี่พสโสดาบันจะไปทำอะไรกันจริงๆก็ไม่ควรมีตั้งแต่บุรุชนตนะั้นแต่บูรุชนก็ก็เรียนรู้ศีลแล้วก็ทรงจำศีลแล้วเอาไปปฏิบัติให้เป็นศีลขึ้นมาเลยตรงอาจารย์รัชดีนะอาจารย์าารัชดีเขาก็ไม่ไดนที่ว่าจะต้องต้องต้องเอะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรศีลานาศีลนอ่ ใช่ก็เป็นศีลศีลที่เจตนางดเว้นได้ภายในตนนั่นแหละจึงเป็นศีลศีลที่ยังไปขอกับพระอยู่ยังไม่ชื่อว่าเป็นศีลเพราะไม่ใช่เจตนาของตนเป็นเจตนาที่พระเอาให้ไม่ใช่เจตนาของตนเองที่จะอยากจะรักษาหมายถึงว่าไปขอศีลจากพระถ้าเจตนาของตนคือตั้งขึ้นมาเลยด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านก็ตั้งเจตนาขึ้นมาเลยว่าพระเจ้าจะงดเว้นจากปาฏิบัต ไอ้กว่านี้ทำไมเยอะจัง นะรู้สึกจะหมดคำถามลเลย่ไหนี่นเขาไม่มีทามมาใ น, านพวกเราใครจะสาา่วนเวาทำทันเรื่องอะไรไม่มีนะโยมวันเรื่องวันคายวันเกิด ว, ว, วันนี้วันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเดียกยจะฟังเรื่องอะไร เห็นมาทันทีกท็ก็ให้อยวกจะฟังเรื่องอะไรอยากจะฟังเรื่อง ว, ว่าเราเกิดมานะในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะจจก็อาจารย์พุชชัา น, นางมเรื่องการเกิดนี่นะการเกิดคุ้งยังไงเข้าไปนจิวาเกิมาแล้คา พระเจ้าทรงตรัสบทธรรมบทหนึ่งไว้ว่าชาติลุกหาปุณณปุณังแปลว่าการเกิดบ่อยๆเป็นความลุกการที่พระองค์ทรงตรัสสอนอย่างนี้เพื่อมีจิตผู้หมายเพื่อให้เราได้คํานวณเห็นความเป็นไปของชีวิตของเราที่ต้องอาศัยการเกิดทําไมชีวิตเราต้องอาศัยการเกิดเพราะชีวิตของเรา ไม่สามารถดำลงอยู่ได้ไปตลอดกาลถึงเวลาหนึ่งมันก็ถึงทาวแตกสลายและหมดไปสร้างวันหนึ่งเราจะต้องหายออกไปจากโลกนี้แน่นอนแต่การหายไปไม่ได้หายไปแบบสาบสนแต่จะมีการเกิอดอีกในภพภูมิที่โปรองทรง ต, รงตัดไว้ทั้งหมดก็31สิบเอภพภูมิไม่หนีจากนั้นเพราะนั้นการเกิดในภพภูมิภพภูมิอื่นนอกจากภพภูมิมนุษย์ แม้จะเป็นการเกิดอยู่ในภพภูมิชั้นสูงคือเทวดาหรือพรหมพระองค์ก็ยังตรัสอยู่เสมอว่าชาติลูกหาปุณณปุณณการเกิดอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ได้ชื่อว่าเป็นความทุ่งอยู่นั่นเองเทวดาจะเป็นความพุ่งได้อย่างไรในความรู้สึกของคนเพราะคำว่าเทวดามันบอกบอกถึงความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เป็นความเป็นอยู่ที่อยู่แบบทิพย์ ป, ปราร์นาอะไรก็ได้สิ่งนั้นความเป็นอยู่ของเทวดาไม่จําเป็นจะต้องดินน้นรนไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องอสแสวงหาไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องมาอิจฉาลิษยาในยศตําแหน่งยศฐานบรรดาศักดิ์แข่งขันกันกดขี่ข่มเหงทําลายกันเกลียดแค้นชิงชันให้กันและกันเพราะตาแหน่งหน้าที่การงานอย่างเงี้ยเทวดาจะมีความทุกข์ได้อย่างไร ทีนี้พระเจ้าทรงทราบภาวะของความเป็นเทวดาและได้บอกแล้วก็เล่าเรื่องของความเป็นเทวดาในเรื่องความทุกข์ของเทวดาเพราเทวดาก็มีความทุกข์เหมือนกันจะเป็นความทุกข์แบบไหนก็เทียบเคียงกันเพียงแค่ว่าความทุกข์ทางกายเทวดาไม่มีแต่เทวดาจะมีความทุกข์ทางใจเป็นยังไงบ้างความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจที่พระองครตัดไปก็คือ โซกกะปริเดวะดุกขะโดมนาสะปูปายายำปีชั่นนารภติตัมปีทุกขังสิ่งเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นความผุกทางใจของเทวดาคืออะไรบ้างความโศก เ, ออเทวดามีความโศกด้วยเหรอมีมีอย่างไรล่ะเทวดาเวลาหมดอายุไขมันก็จะเศร้าโศกถึงกันล่ลําไยล่าพันหากันนะโอหมดอายุ ก, กันแล้วเหรอหมดบุญกันแล้วเนี่ยก็ไปโศงกันอยู่ที่สวนนันพวัน เวลาไปส่งกันคือไปส่งกันในป่าในสวนก็ก็อวยพรให้กันว่าขอให้ท่านได้ไปสู่สุคติหน้าจุติในภพภุมิที่ดีนะเนี้ยก็เขาอวยพรกันก็เศร้าโศกกันอยู่นี่คือทุกข์เพราะความโศกทุกข์เพราะความลําไรยงลำพันธุ์ทุกข์เพราะขับแคนใจเทวดามีความขับแคนใจไหมมีขับแคนใจด้วยเรื่องอะไรความขับแคนใจของเทวดาก็คือความไม่เพียงพอ ในความสุขท่ตัเองได้รับเช่นเทวดาตนหนึ่งมีนางอับซรแวดลอ้อมหรือมีนางอับซ้คอยบรรุงบรเลอความสุขในชีวิตของตนเองเนี่ยห้าอย่างเงี้ยไม่พอ500ไม่พออยากจะได้เป็นพันพอได้พันก็ไม่พออยากจะได้เป็นสองพันสามพันพื้นบีอย่างเงี้ยอยากได้มีนางอับซรเป็นบริวารนี่คือความคับแค้นคือ ความอยากที่จะได้มาแล้วมันมันยังไม่ได้ตามควาต้องการความอยากจะเกิดความขับแค้นภายในใจและเทวดาทะเลาะกันก็มีคือไม่ถูกใจกันก็มีเป็นเรื่องหนึ่งของเทวดามันกันนะวันวันหนึ่งบางทีเทงเทวดาบางจําพวกทะเลาะกันอยู่ร้อยปีไม่เคยวางวางจิตอะไรโอโหสิกรมต่อกันเลยทะเลาะกันอยู่จนหมดอายุไขก็มี ทะเลาะกันจนแบบไม่บริโภคอาหารเลยนะ้นีเทวดาโกรธกันไม่พอใจกันคนนี้ทะเลาะกันทะเลาะกันแบบยืดยาวนานมากและเทวดาที่ติดอยู่กับกรรมพุทุนกับความความใคร่ก็บางทีก็อะไรหลงมัวเมาอยู่กามมาสุขความใครนะ่นั้นอยู่บนเทวโลกนะั้นจนลืมบริโภคอาหารแล้วก็บด ยยังไม่หมดอายุไขหรอกแต่ว่าบดไ ม, ไม่ไม่กินข้าวไม่กินอาหารที่แบบเขมีนะมีแต่วไม่มีแล้วก็จุติก็มีคือตายนกตายอย่างเทวดาและจุติอย่างเงี้ยในฐานะนั้นเนี่ยคือเทวดาก็ยังมีความสุขอยู่ความสุขก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ความสุขนั้นทำให้จิตใจของเทวดาเหล่านั้นหมกมุ่นอยู่ในความสุขจนเกินไป จนทำให้ได้รับความทุกตามมาในภายหลังตรงนี้คือทําให้เกิดความประมางเป็นพรหมเองก็ตามก็มีความทุกข์อยู่ในความเป็นพรหมทําไมถึงมีความทุกพรหมก็จะมีหนึ่งมหาพรหมปุโรหิตพรหมแล้วก็บริวารพรหมชั้นน้อยชั้นใหญ่เมื่อมีพรหมที่เป็นหัวหน้าคอยปกครองมีปุโรหิตมีบริวารชั้นน้อยชั้นใหญ่แน่นอนว่าการถูกปกครองไม่ว่าจะเป็นการปกครองแบบไหนก็ตาม การอยู่ภายใต้อำนาจใดๆก็ตามชื่อว่าเป็นความสุขหรือความทุกข์ทุกข์ถ้าเราอยู่ภายใต้การปกครองที่แม้จะเป็นกมปกครองแบบกรมก็ตามก็ <Yeah. S 1> ยังมีทุกข์อยู่ไม่ได้มีเป็นความสุขอะไรหรอก <Yeah. S 1> เนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจที่ไม่สามารถทําอะไรได้ตามใจตัวเองอยู่ <Yeah. S 1> ยังไม่หลังนันหมายถึงว่าคนเราต้องการอิสรภาพที่แท้จริงคืออยากจะทําอะไรตามใจตัวเองได้ <Yeah. S 1> อิสรภาพนั้นอยู่ที่ไหน <Yeah. S 1> มีที่เดียวคือพรติภพาน เพราะในพระนิพพานนั้นเสมอกันหมดเลยไม่มีใครปกครองใครไม่มีใครอยู่ภายใต้อำนาจของใครผุ้คนไปดีสละภายในตนเองแต่เป็นดีสละแบบไม่มีโทษอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวย้ำๆมาอยู่เสมอว่าชาติปีทุกขาการเกิดไม่ว่าจะเป็นการเกิดในที่ในในรกตา่างได้ชื่อว่าเป็นความทุกข์อันนี้คือพูดถึงความทุกข์ในชั้นของเทวดาลัมนะและเราลองเปรียบเทียบว่าขนาดเทวดาลัคมยังมีความทุกข์ แล้วลองพิจารณาความทุกข์ในความเป็นมนุษย์อยู่ในส่วนของสุคติภูมิ น, นี่ยังมีความทุกข์จากที่เราเคยเจอตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้เรามีความทุกข์อะไรบ้างเนวนี้คือชั้นสุคติภูมิแล้วนะนะแล้วลองเทียบทุกคติภูมินี<ม>้จะขนาดไหนบางครั้งเราบอกว่าความทุกข์ในโลกนี้ที่เราเจอแคบจะรับไม่ได้แคบจิตใจจะแหลสไลท์แคบจะอยู่ไม่ไม่มีชีวิตอยู่ได้ แล้วถ้าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตผีปีศาจอสูรกายมันจะเป็นทุกข์ขนาดไหนและยิ่งนรกเนี่ยยิ่งหนักเพราะนั้นในความหมายของพระเจ้าทรงองค์ทรงกล่าวสอนในบทธรรมนี้เพื่อให้เราให้เห็นโทษของการเกิดชาติทุกข์ขาคุณัปุนังการเกิดแล้วเกิดอีกเรายังพอใจอยู่กับการเกิดไหมใครพอใจอยู่กับการเกิดก็เท่ากับพอใจอยู่กับความทุกข์ฮะยังพอใจอยู่กับการเกิ ด, กกกดแล้วยังพอใจอยู่ ก, กับความทุกข์เวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็ต้องพอใจด้วยสิ แต่เวลาความเป็นจริงแล้วชีวิตเป็นยังไงพอาุกเกิดขึ้นพอใจกันไหมไ ม, ไม่พอใจเอาถ้าไม่พอใจก็ต้องไม่พอใจการเกิดสิถ้าไม่พอใจความปุกแต่ปรากฏว่าทําบุญปาณานิอะไรขอให้เกิดในภพที่ดีขอให้เกิดอยู่ในสุติภูมิที่ดีนนดดดไปได้อธิษฐานว่าทาบุญนี้จงเป็นไปเพื่อดับปุ๊บและดับการเกิดใช่ไหมในอธิษฐานอย่างนี้ เมื่อไม่ได้อธิษฐานอย่างนี้แล้วมันเป็นความหลงอย่างหนึ่งที่พรงศ์สอนให้พวกเราได้รู้ว่าอย่าหลงภพชาติการเกิดอย่าหลงเลยว่าการเกิดจะดีไม่ว่าจะเป็นการเกิดเป็นอะไรก็ตามอย่าหลงว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีอย่าหลงหากเราหลงอย่างนั้นแล้วเราจะเจอความทุกข์ในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาแต่เราก็ไม่รู้ว่าความทุกข์เหล่านั้นมาจากการเกิดขึ้นนั่นเองแต่มนุษย์ทั้งหลาย ก็ไม่สามารถทําตัวเองให้พ้นออกไปจากกองทุกได้เนื่องเพราะมนุษย์ตกอยู่ภายใต้ความประมาทไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ยินดีในทำคำสั่งสอนของพระ ส, ส, ส, ส, สมณทุกเจ้าไปสู่กรรารปฏิบัติแต่พวกเราโชคดีที่พวกเราได้มีจิตมีใจน้อมรับคำคำสอนของพระเจ้าไปสูกรร่การปฏิบัติภายในตนแล้วก็ได้รับความรู้ความเข้าใจมีสติปัญญารู้สึกตัวอยู่ว่าการเกิดอีกเป็นทุกข์แน่นอนอย่าว่าแต่เกิดเลยเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วเป็นอยู่อย่างเงี้ยเรายังรู้เลยว่าเป็นทุก การเกิดอีกในภพภายภาหน้าทําไมจะไม่เป็นทุกข์เนี่ย <Yeah. S 1> ก็เทียบเคียงกันอย่างนี้ด้วยปัญญาการที่เรามีปัญญาเทียบเคียงได้อย่างนี้แล้วสามารถรู้ว่าอนาคตตะการความเป็นไปของชีวิตก็ต้องมีความทุกข์ควบคู่กันอยู่แน่ๆหากเราไม่สามารถดับความทุกข์ในขณะ น, นี้เวลานี้ให้หมดไปในขณนะแห่งจิตนี้ความทุกข์ก็ยังติดตามอยู่เหมือนเงาติดตามตัว แต่ถ้าเราดับทุกข์ได้แล้วความทุกข์ก็จะหมดไปจะไปอยู่นที่ไหนๆก็ตามมันก็ไม่มีความทุกข์ใดๆแม้ดํารงชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็ไม่ปรากฏว่าเป็นความทุกข์อะไรอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระรยาเจ้าทั้งหลายท่านดับทุกข์ได้นี่คือความพิเศษของเครื่อศาสนาที่พยายามสอนให้พวกเราเว้นในสิ่งที่ควรเว้นคือเว้นการพอใจในการเกิดอย่าไปพอใจอะไรกับการเกิดในชีวิตของเรา หากเรายุติการเกิดได้ความดับทุกข์ทั้งมวลก็จะดับได้เพราะฉะนั้นความหมายแห่งการเกิดที่แท้จริงคื อ, ค, อคือการเกิดมาเพื่อสแสวงหาธรรมะเพราะธรรมะเป็นสิ่งเดียวที่คงความเป็นสัจจ์ในตัวของธรรมะเองนอกนั้นไม่มีอะไรเป็นสัจจ์ไม่มีอะไรจริงเป็นเพียงแค่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและผ่านไปตามกา ร, ระยะเวลาชีวิตของเรา ร่วงไปละไปดับไปตามการที่ร่วงไปละไปดับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเวลาที่มันร่วงไปละไปดับไปในแต่ละครั้งมันไม่ใช่ดับไปเฉยเมันเอาอายุกับใบของเราไปด้วยแล้วเราก็หมดอายุและวใบของเราก็หมดไปตามลำดับจากการเทียบเทียงและพิจรารณาตั้งแต่เด็ก จนถึงทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าอายุกับวัยหมดไปอย่างไรคือมันลากไปร่วงไปหมดไปดับไปในแต่ละขนาดอย่างไรเพราะวัยของเราในเวลานี้ก็คือเป็นวัยที่เดินเนินไปสู่ความแตกสลายเขความตายเขบอก คนโลกไม่เคยชอบโอ้พูดถึงความตายในวันเกิด <c oughs> เขาบอกไม่เป็นมงคลเขาบอกรับไม่ได้ <c oughs> คนเมืองนี่แหละหนักเลยเลยอาตมามาเจอคนเมืองนี่อย่าพูดเรื่องความตายนะเนี่ยมาทำบุญวันเกิดทำไมพระอาจารย์ม <c> า <oughs> พูดเรื่องเพศวันตายเ ร, เรื่องความตายนี่เป็นมงคลมีคนพูดอย่างนี้คนเมืองโอ้เขาถือกันขนาดนั้นเลยหรือวะเรื่องความตายกลายเป็นเรื่องสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งท้งที่พวงบอกว่า มรณานุสติเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งและบุคคลผู้พี่นะ้าความตายอยู่เสมอระลึกถึงความตายอยู่เสมอย่อมไม่ไปสู่ทุกคติเลยและเมื่อตายย่อมไม่หลงเมื่อตายคือไม่ไม่มีไม่เขาเรียกว่าไม่หลงว่าตัวเองจะตายแล้วมันจะไปหลงได้ยังไงมันต้องตายใช่ไหมละ่ะทุกวังมรณงความตายเป็นของอยงยืนชีวิตังอะไร อัฐวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนนไทุก네วังมะระนังความตายเป็นของอยั่งยืนอัฐวังมะระอัฐวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนเนี่ย <Yeah. S 1> มันเป็นสิ่งที่พุทธองค์ทรงตัดสอนสิ่งที่เป็นสัจจ์เพราะนั้นคนทั้งหลายไม่ชอบความจิแต่พอพูดถึงความตายไม่ชอบถ้าพ่อว่าอะไรขอให้เกิดในที่ดีๆเห็นไหมล่ะเราชอบอย่างนั้นการบริอปปกัน พอไปสู่สุคติภูมิอาตมาจะอวยพรให้คนไปสู่สุคตินี่ก็ไม่อยากจะอวยพรอะไรเลยมันไม่มีที่ไหนสุคติคือสุคติถ้าเปรียบเทียบคำว่าสุคติหมายว่าเขาเปรียบเทียบกับทุคติเราจึงได้ชื่อว่าเป็นสุคติคือดีกว่าสัตว์ในชั้นเป็ดพิภีสาตว์สุนัขไกแค่นั้นเองเขาจึงชี่ว่าสุคติอยู่ในในความเป็นไปที่ดีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพูดถึงความพุกแล้วมันเป็นสุคติไหมล่ะไม่ใช่สุคติหรอกพวกะ มันไม่เกี่ยวกับสุขติหรือทุตติทุกไปสัจจ์เป็นความจริงที่คนเกิดมาต้องเจออย่างเงี้ยมันไม่ใก่ยวกับสุขติหรือทุตติเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าให้ไปสู่สุขติไม่รู้ตรงไหนมันมีสุขอะตรงไหนเป็นสุ ข, ขติคติที่ดี <c oughs> แต่แน่นอนนะก็เราก็กำหนดหมายตามภาษาของชาวโลกกันแล้ว่อะไปสู่สุ ข, ขติเถอะแต่ถ้าในใจอตาตมาก็อยากจะเขาเรียก ว, ว่า อวยพรหรืออํานวยอวยพรให้ไปถึงหมดแหละความับทุกข์นะมันถึงจะควรแก่ผู้เพืพ่อพปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถ้าสามารถไปถึงสภาพาแห่งการดับทุกข์ได้ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็ขอให้เข้าใจความหมายแห่งการเกิดตามคําอธิบายนี้นะเดี๋ยวพอใจดีในการเกิด หรือจะพอสมควรแก่เวลาเท่านี้วันนี้หรือจะถวายทำบุญหลห ร, ลรอใ้นมมือขึ้นว่าตามข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีในทานยินดีในทานการให้และสลักสิ่งของการให้และสลสิ่งของดยทรัพย์ของข้าพทรัพย์ของข้าพเจ้านี้จงเป็นปัจจัยสีสสอันควรแก่สมณบิัย สมณะดิสัยแต่พระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอผลทานนี้จงบังเกิดเป็นสมบัติทิพซสำเร็จแก่ญาติทิพของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพเจ้านายเวรที่ก่อควรข้าพเจ้าผีบรรพบรุษของข้าพเจ้า ผู้มีส่วนแห่งบุญและเป็นสุขจากบุญที่พระพเจ้าอุทิศให้นี้และขอผลทานนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งพนิพาณในปัจจุบันการและอนาคตการด้วยเธอ เอาไว้กับวิทยาบาาริการไม่มีใครถามมานะ